จากมาแสนไกลตั้งใจศึกษาเพื่อวันข้างหน้าจะเอาความรู้ไป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 ให้ฉันได้ก้าวไปถึงฝั่งฝันที่ฉันมุ่งหวังดังใจต้องการเป็นความพาดภูมิจากรั้วม่วงเหลืองก้าวสู่ความรุ่งเรืองทั่วกันดำคูดต้นโ ต, นตนสู่แดด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 ท่าบัน ดำคูต้นโตสู่แดดฝนไม่วันออกดอกช่อนั้นแดงบานงามตาจากวันนี้ไปได้นำความรู้สู่ยังท้องถิ่นบ้านเราพัฒนา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 เรื่องที่มีกระแสะขา่าวเกี่ยวกับเรื่องของการรัฐประหารนี่ทางทหารได้ออกมาชี้แจงแล้วนะครับว่าก็ไม่ไม่เป็นจริงนะครับพลเอกนทพลศรีสวัสดิ์ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพ บ, บกเนี่ยก็ชี้แจงว่ามีข่าวลือเกี่ยวกับเรื่องการเคลื่อนย้ายของกำลังพล ย, ยุทธุปกรณ์อะไรต่างนี่ก็บอกว่า ในขณะนี้มีการฝึกภายในประเทศนะครับนะของการฝึกหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็วของทับบกนะที่เขาเรียกว่า RDF นะเพื่อพัฒนาความสามารถกลาลังพลนะครับก็ฝึกกันช่วงวันที่8ที่9นะครับที่กรมทหารราบที่31รักษาพระองค์นะครับเนะพราะฉะนั้นในตรง น, นี้ก็เลยต้องมีการนะเคลื่อนย้ายกลาลังพลนะในส่วนของ ท า, ทางทหารเนี่ยไ ด, ได้ชี้แจงกันออกมาส่วนเกี่ยวกับเรื่องของในส่วนของสอวนะครับที่มีความเคลื่อนไหวว่ากลุ่มสวหกสิบคนเนี่ยจะมีการเสนอนะที่จะปิดสวิสวคือตัดอำนาจสวไม่มีการมีส่วนร่วมในการเลือกนายกตรีนะครับที่เป็นประเด็นทกเฉียงกันอยู่นี่ก็มี การเปิดเผยของสวกันหลายกลุ่มอย่างเช่นทางทหารนี่พนเอกอาการณ์นิดหมือนสวัสดสมาชิกบุธิกภาก็บอกว่าตอนนี้นี่สวเนี่ยแตกออกเป็น 4-5 หกลุ่มแต่ละกลุ่มก็มีประมาณ 40-50 คนก็พูดเกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งก็มีทั้งเห็นด้วยไม่เห็นด้วยบางส่วนก็เห็นด้วยการแก้ทั้งฉบับคือให้มีสอสอตามที่ทางพรรคฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลเสนอ บางพวกก็ไม่เห็นด้วยนะครับแต่จะให้แก้เป็นรายมาตราเพราะฉะนั้นก็มีความเห็นที่ค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับนะจะหลากหลายเหมือนกันนะครับก็คงจะต้องดูว่าจะเป็นอย่างไรนะครับแต่มีความเห็นที่แตกออกมาเป็นเป็นหลายกลุ่มอย่างเช่นกลุ่มคุณกิติศักดิ์รนะัตนวราหะสวบอกว่าอ ย, อยากให้มีการแก้ไขเป็นลายมาตราไม่เห็นด้วยที่จะมีการตั้ง สสรนะครับขึ้นมาแก้ไขทั้งฉบับนะครับเป็นความเห็นของของอกลุ่มของนายกิติศักดิ์นะที่บอกว่ามีอยู่60คนซึ่งก็มีการประชุมแล้วก็ไม่ถึงแล้วครับมีการมีการถอนตัวอะไรกันนะมากเหมือนกันนะในส่วนของส so วส่วนนายวันชัยสอนเลรีสมาชิกวุธิสภาก็บอกว่าสนับสนุนนะให้มีการแก้มาตราสอง 172แล้วก็มีการตั้งสสรขึ้นมายกล่างรัฐมนูนใหม่นะครับนั่นะก็เป็นเป็นสวออีกเซกหนึ่งที่จะเสนอนะครับซึ่งตรงนี้นี่ก็ยังกระจัดกระจายนะครับยังต้องดูว่ า, าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับนะที่จะร่วมส่วนทางพัก้าไกลเนี่ยนะครับนะือนวั น, ว น, วนพักเก้าไกลในวันที่8ที่9กันยายนเนี่ยมีนะ ที่รัฐสภานะครับนายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพรรคก้าไกลนะครับก็มีการมายื่นนะครับนยื่นหนังสือถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรในฐานะประธานรัฐสภานะครับก็มาพร้อมกับนายสาธิตวงหนองเตยนะครับนะบสใช้ปัดนำรายชื่อสส9กคนมายื่นนะครับเพื่อที่จะขอแก้ไขรัฐมนูลปี2อ6 0มาตรา27 272 คือมีการยกเลิกการให้สวเนี่ยร่วมมติเลือกนายงตรีนะครับซึ่งในชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรก็บอกว่าจะตรวจสอบองค์ประกอบยติที่จะพิจารณาความเห็นชอบเนี่ยก็จะบรรจุระเบียบเข้าวาระการประชุมภายใน15วันนก็เป็นความเคลื่อนไหวของพักก้าวไกลนะครับนะที่นำร่วมกับพักรัฐบาลบางส่วนคือประชาธิปัตย์นะครับนะ ที่บอกว่าเป็นขบวนประชาธิปัตย์แล้วก็มีสอ ส, อสอพักเล็กพักน้อยนะครับนะเข้ามาร่วมกันนะก็กยื่นต่อต่อประธานชวนเล็กไพนะครับวันที่8กันยายนนะครับนะก็มีสอสทังรัฐบาลนี่มาร่วมมีพักชาติไทยพัฒนาด้วยมีพักภูมิใจไทยเขาว่าวอย่างนั้นนะครับนะซึ่งนาย ชัยธวัฒตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลก็บอกว่าถ้ามีการยกเลิกมาตรา272ก็จะทำให้กระบวนการได้มาซึ่งนายกเป็นไปนตามรัฐธรรมนูญนะครับนะก็สภาบุษแทนก็จะเป็นคนเป็นพระเอกเป็นคนสรรหานายกงตรีแะครับก็จะเป็นประชาธิปไตยก็บอกว่าอย่างนั้นนะครับซึ่งตรงนี้นี่วันวันที่8นะครับวันที่8กันยายนมีการนำเสนอนะครับแต่ก็ได้ข่าวว่า ในในวันที่เในในส่วนของสอสซีรัฐบาลที่มาร่วมลงชื่อเนี่ยมีการถอนตัวนะครับเนื่องจากาอาจจะถูกลอบบี้ถูกอะไรต่างๆเนี่ยทำให้จำนวน99เสียงไม่ครบเห็นเห็นว่าอย่างนั้นนะครับก็ต้องมีการเริ่มกระบวนการกันใหม่ซึ่งตรงนี้ในในส่วนของ9ก้าไกลอาจจะได้มาจับมือกับเพื่อไทยในการเสนออีกรอบก็ได้นะครับซึ่งซึ่งตรงนี้ก็ต้องติดตามดูกัน ต่อไปนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างมารับฟังเพลงสักเพลงก่อนที่จะมาพูดมาคุยกันต่อครับ เใี้ยอมรับ ซ่า ออก็คนมันจะงอนไม่งอกันหรือไรโทษดวงใจจงหันมองศบตาฉากจบพระเอกบาดเจ็บเจียนตาไม่สนใจสมน้ำเน้าก็อยากให้เธอมาช่วย พูดมาคุยกันต่อนะครับใ น, ในช่วงนี้เนี่ยนะครับเราก็คงจะต้องตามดูเกี่ยวกับเรื่องของอกระบวนการการที่จะยื่นแก้ไขรัฐมนูนตามสภานะครับเมื่อวานนี้มีการประชุมของสภานะครับของสภาเกี่ยวกับเรื่องของ<ม>การอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติตามมาตรา152นะก็มี ในส่วนของส่วนใหญ่ก็จะเป็นฝ่ายค้านลุกขึ้นมาวิาพากษ์วิจารณ์การทํางานของของรัฐบาลนะครับนะซึ่งทั้งคุณ อ, อนุดิตนะครับซึ่งเป็นคนเสนอยติเนี่ยนะครับนะของการประชุมในในครั้งนี้นี่ก็มีการชี้แจงว่าในส่วนของรัฐสภาเนี่ยนะครับนะรัฐบาลเนี่ยดำเนินการล้มเหลวนะครับนะเพราะว่าทํา ให้เศรษฐกิจเด็กค่อนข้างที่จะล้มเหลวมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความขัดแย้งอะไรต่างๆทุจริตคอร์รัปชันนะคุณอนุดิตก็เรียกร้องให้ยุติความรุนแรงยุติการคุก ค, คามนะครับนะแล้วก็มีการปรับแก้รับโนูนทํานองนั้นนะครับส่วนนายพิธาลิมเจริญรัตน์พักเก้าไก่หัวหน้านะพักเก้าไก่ก็บอกว่าของเราเนี่ยเป็นวิกฤตเศรษฐกิจที่คุน้นรุนแรงกว่ายุคต้มยำกุงนะครับนะ ทำให้คนหนุ่มสาวนี่ออกมาชุมนุมเพื่ะนั้นนี้ก็อยากจะเรียกร้องให้แก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจให้ให้มากยิ่งขึ้นนะครับนะเพราะฉะนั้นในตรงนี้นี่ก็ให้อยากเรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญอะไรต่างๆด้วยแล้วก็เป็นผู้นำฝ่ายค้านนะครับในที่ขอการเรียกร้องรวมทั้งนายมูฮัมหมัดนอมัตห์หัวหน้าพรรคประชาชาติก็บอกว่ารัฐบาลนี่ก็ยังล้มเหลวทางด้านการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ นะครับก็ต้องมีคนตกงานกันะกจํานวนมากนะครับนะแล้วก็มีการกู้เงินจํานวนมหาศาลนะครับนะหปีก็กู้มา 3.4 ล้านล้า น, ล า, นลานบาทว่าอย่างนั้นนะครับแล้วนะ ก, ก, ก็กู้มาแก้โควิดอีก 1.9 ้าล้านล้านล้านบาทนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่ก็จะต้องเป็นหนี้เป็นสินกันมากก็อยากจะในส่วนของนายวันนอนี่ก็อยากจะให้เร่งแก้ไขปัญหาเหล่านี้ หรือไม่ก็จะ า, ากเรียกร้องให้ใ น, หนายกรัฐมนตรีลงจากอำนาจนคเป็นความเห็นของฝ่ายค้านส่วนผลเอกประยุทธ์ชี้แจงบอกว่ารัฐบาลห่วงใยสถานการณ์ในประเทศพยายามทำงานเต็มที่เพื่อฟื้นฟูทุกอย่างให้กลับมาสู่ภาวะปกติโดยเร็วนะครับนะครั บ, รบเป็นการตอบของนายกรัฐมนตรี ต, ต่อสภาซึ่งก็เป็นกระบวนการทางรัฐสภาโดยทั่วไปแล้วครับที่ในส่วนของ นายกในมาจากการเลือกของสภาก็ต้องเข้าไปชี้แจงในส่วนของสสผู้แทนในฐานะผู้แทนประชาชนก็ต้องมีการสามารถที่จะซักถามนะให้คําชี้แนะต่อนายยงตรีเป็นกระบวนการตามร ะ, ระบบและสภาโดยทั่วไปแหละครับนะซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการโต้อตอบกันฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลก็อยู่ในสื่อต่างๆก็คงจะต้องติดตามดูนะครับและคงจะต้องติดตามว่าจะมีการ ปรับแก้นะครับปัญหากันหรือไม่ก็อยากจะให้สามารถที่จะ้ไขวิกฤตปัญหาอย่างรวดเร็วละครับสําหรับวันนี้นะครับเวลาของรายการของเรามาถึงช่วงท้ายของรายการแล้ชีวิตจะสั้นเพราะควันบุหรี่เรามาร่วมมือกันลดละเลิกสูบบุหรี่ครับสำหรับวันนี้ผมนิรนันดร์กุลธนานต้องขอลาท่านเพื่อนก่อนและพบกันโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ ก็ให้ยืมแต่เธอเหมือนเป็นคนขี้ลืมลืมแม้คนที่ห่วงหาก็ดวงใจนี่น้อยนี่น้อยเฝ้าลงคอยรอเธอเมตตาเพื่อจะเห็นมันเต้นช้าชาและวควันตาไม่รู้ ไม่รักก็ไม่บอกไม่รักแล้วแกนงหลอกเข็บแล้วคุณบังกอกโดนเธอหลอกไม่มีชินดีอยากจะได้อะไรหามาตามปรารถนานของเธออยากไปไหนพาไปเสมอ เธอสั่งมากอดวงใจนี่น้อยนี่น้อยเฝ้าลมคอยรอเธอเมตตาเพื่อจะเห็นมันเต้นชตา แกลนงลองเข็บแล้วคนบางกอกโดนเธอหลอกไม่มีชิ้นดีก็ดวงใจนิน้อยนิน้อย ช้าและวควันตาไม่รู้ไม่ทีไม่รักก็ไม่บอกไม่รักแล้วแกลงหลอกก็ฉันนันมันนอกดดนเธอหลอกมาหลายปีไม่รักก็ไม่บอก I'm not y r prisoner.